อย่างพยายามทำอย่างโน้นอย่างนี้จะเอาชนะธรรมชาติไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ชาวตะ ว, วันออกเราชนะโลกภายในสามารถพิชิตโลกภายในได้จนมันมันไม่ร้อนลวมันเย็นโลกภายนอกก็แปรปรวนไปเรื่อยๆถ้าใครอายุมากหน่อยจะรู้สึกนะสมัยตอนควรแก่ๆยังเป็นเด็กๆน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 จิตรวมเข้ากับลมหายใจนิ่งๆไปนะพอจิตรวมแนบอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งนะลมหายใจมันจะกลายเป็นแสงสว่างนะจากเส้นเป็นเส้นสว่างเป็นสายของความสว่างก็ค่อยรวมเป็นดวงสว่างขึ้นมาอนะไรเงี้ยดูเข้าไปอีกได้แต่ความสุขความสงบหรือดูท้องผ่องยุบนะถ้าขาดความรู้สึกตัวนี้จิตจะไปอยู่ที่ท้องจิตจะไปเพ่งอยู่ที่ท้อง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 เมื่อเราเราปีสี่สามนะหลวงพ่อมาที่นี่ตอนนั้นยังเป็นคราวาสหลวงปู่เหรียนยังมาเทศอยู่ตอนนี้ท่านไม่เทศให้เราฟังแล้วนะแต่ท่านนอนให้เราดูอันนะี้ตอนนั้นก็มีคราวาสเนี่ยชอบมาช่วยโอกาสตอนที่หลวงปู่ฉันอาหารเนี่ยจะมาถามธรรมะหลวงพ่อวันหนึ่งก็มีคราวาสคนหนึ่งนะเดินดุยดุยมาถามหลวงพ่อ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 หากเป็นคนที่มีความรู้สึกนะนะรู้สึกกายรู้สึกใจพอเรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเนี่ยความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นต้นทางของการปฏิบัติทำวิปัสสนาทุกๆอย่างต้องมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานนะพอใจเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหนะลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านอนะแต่หลวงพ่อเคยเจอท่านท่านเป็นพระที่ดีเลิศองค์หนึ่งนะ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 มีตัณหาเป็นแรงผลักดันตัณหาก็คืออยากให้มันมีความสุขอยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์นะความอยากนี้แหละผลักดันให้เราดิ้นรนไปเรื่อยๆถ้าเรามียนมีสติรู้ทันจิตรู้ทันใจนะรู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนหมดความอยากจิตไม่ถูกตัณหาผลักดันนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาค่อยฝึกนะไม่ยากอะไรหรอก เดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทศได้15นาทีนะไม่รู้เป็นยังไงเมืนะ่อ ก, ก่อนนี้เห็นไปเรียนจากหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศตอนท่านยังแข็งแรงใครฟังท่านเทศทีนึ่งหลายชั่วโมงหรือฟังจากเทปนะฟังลูกศิษย์ลูกหาเล่าว่าท่านเทศทีหนึ่งได้หลายชั่วโมงตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเนี่ยท่านเทศสิบนาที15นาทีเรายังไม่แก่เท่าท่านหลยเทศเหลือนิดเดียวแล้วนะ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 คนในโลกไม่สนใจที่จะเรียนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะได้ยินเรื่องเจริญสติปัฏฐานแล้วยังค้านอีกนะอย่างเป็นต้นบางคนก็มีทิฏฐิบอกว่าก่อนจะปฏิบัติต้องทำอัปปนาสมาธิให้ได้เสียก่อนถ้าทำอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วชาตินี้เข้าใจผิดนะเนี่ยครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็เล่านะครูบาโนสอนท่านก็มาเล่าบอกว่าอาจารย์ท่าน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 ไ่เพ่งไว้กายนิ่งๆใจนิ่งๆนี่ศัตรูของความรู้สึกตัวเหมือนกันรู้สึกตัวแล้วไปบังคับใช้ไม่ได้นะต้องปล่อยนะารู้สึกตัวแล้วปล่อยไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วบังคับจนแข็งปอกเลยใช้ไม่ได้จริงดอกเอาวันนี้เทศพอสมควรแล้วนะเพราะว่าเทศตั้งแต่ต้นจนจบนไก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวายทานครับ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 อิชิตังปฏตตังทุมหังคิปะเมวาสมิชชตูสัพเพปูรเรนตูสังกป่าจันโดปันนระโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินสัสตูมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง